เรื่องของอาถรรพ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งซึ่งจะข อ, อนำเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณจำปาซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านโพไคาออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกล น, นครค่ะ คุณจำปาผู้นี้เป็นเพื่อนของคุณเตียงสาริบุตรนะคะแล้วก็เรื่องราวต่อไปนี้คือเรื่องที่คุณจำปาได้เล่าให้คุณเตียงฟังเมื่อครั้งที่คุณเตียงเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมคุณจำปาอยู่ที่บ้านโพไคายเมื่อประมาณกลางปีพศ2529ค่ะคุณเตียงได้เล่าถึงเรื่องราวและก็เหตุการณ์ตอนที่เดินทางไปเยี่ยมคุณจำปาเพื่อนเก่าในคราวนั้นว่าวันนั้นผมไปถึงนั้น คุณจำปาไม่อยู่บ้านถามชาวบ้านได้ความว่าคุณจำปาเนี่ยได้พาลูกเมียไปนอนประจําอยู่ที่นาได้เกือบเดือนแล้วเพราะว่านาของเขาอยู่ไกลเที่ยวไปเที่ยวมาลำบากดังนั้นในหน้าฝนช่วงดำนาเขาก็เลยมักจะนอนประจําอยู่ที่ทุ่งนานั้นผมสอบถามเส้นทางกับชาวบ้านแล้วก็เดินเท้าเปล่าด้านด้นไปหาเขาที่ทุ่งนาจนพบ ปรากฏว่าทุ่งนาของเขาอยู่ไกลจากหมู่บ้านถึง2กิโลเมตรเศษต้องเดินลัดเลา ะ, ะย่ําโคลนไปตามชายดงเรียกว่ากว่าจะถึงก็ลําบากไม่เบาที่นาของคุณจําปาเท่าที่เห็นก็จัดได้ว่าเป็นทําเลที่เหมาะเพราะว่าเป็นที่ลาดลุ่มตรงปลายนาก็มีลําห้วยไหลผ่านมีหน้าซ้ํายังมีทางการาเลือกเอาลําห้วยช่วงปลายนาของเขาเนี่ยกั้นเป็นฝ่ายน้ําล้นสร้างด้วยคอนกรีตเป็นฝ่ายน้ําถาวร อ, อีกด้วย ดังนั้นที่นาของเขาก็เลยอุดมไปด้วยปลาในหน้าฝนคุณจำปาเล่าว่าพอหน้าเดือน10เดือน11ปลาลงผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆทั้งใกล้และไกลก็จะหลั่งไหลมาจับปลาที่ฝายปลายนาของเขานับจํานวนมากมายเป็นร้อยคนพันคนขึ้นไปในแต่ละปีสําหรับตัวของเขาเองนั้นก็หายห่วงค่ะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยทําทั้งปลาด้าปลาย่างลมควันทําไว้ขายปีละมากๆหลายหายหลายหาบนะคะ คืนนั้นทั้งคืนในฐานะเพื่อนเก่านานทีปีโหนี่ถึงจะเจอเจอกันสักทีหนึ่งก็เลยคุยกันเพลินในเรื่องเก่าๆหลายรถหลายเรื่องค่ะที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาและที่สุดเขาก็ได้คุยเรื่องประหลาดเร้นลับเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาให้ฟังซึ่งพอฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องลึกลับน่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึง่งที่ควรจะนํามาเล่าถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ทราบกันนะคะคุณจำปาเล่าให้ฟังค่ะว่าในคืนหนึง่ง ของเดือนพฤษภาคมปี2529เขานอนหลับแล้วก็ฝันไปบอกว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันคนหนึ่งผิวดำเกรียมเลยละค่ะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากมาปรากฏร่างให้เห็น การแต่งกายคล้ายกับคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่าไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าแบบโจงกระเบนสีแดงเนบเตี่ยวแต่เพียงผืนเดียวที่ข้อแขนข้อเท้าสวมไว้ด้วยกำไลทองสำริดขนาดใหญ่หูสองข้างก็แขวนไว้ด้วยห่วงหรือว่าตุ้มหูขนาดใหญ่ซึ่งดูเป็นสีทองสำริดอีกเช่นกันค่ะชายผู้นั้นได้เข้ามาหาคุณจำปาแล้วก็แจ้งความจำนงบอกว่า ตัวของเขาเองเนี่ยคือเจ้าที่ผู้พิทักษ์ทรัพย์อยู่ในอาณาเขตแห่งนี้โดยมีลูกน้องอยู่ในปกครองอีกนับร้อยคนที่เขามานี้ก็ต้องการให้คุณจำปาเนี่ยไปขุดเอาสมบัติในที่แห่งหนึ่งซึ่งฝังไว้นับพันปีมาแล้วชายผู้นั้นก็ได้บอกตำแหน่งที่อยู่ของทรัพ์สมบัติแล้วก็ลักษณะของทรัพย์ให้กับคุณจปาปาทราบอย่างละเอียดนะคะก่อนที่ชายผู้นั้นจะกาชับอีกบอกว่าของเนี่ยมันยังมีมาก คราวนี้ให้แค่นี้ก่อนคราวหน้าหากทําถูกใจจะให้อีกแต่ว่าอย่าลืมนะให้ทํางานคนเดียวอย่าเอาคนอื่นไปร่วมด้วยพอพูดจบขา่ชายผู้นั้นก็จากไปคุณจำปาก็ตื่นขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจำปาก็จำความฝันได้อย่างแจ้งแม่นยำเลยนะคะก็เลยนึกอยากจะทดสอบความฝันของตัวเองดูว่าจะมีความจริงแท้แค่ไหนเขาก็เลยตัดสินใจไปขุดสมบัติในเช้าวันนั้นเลยทั้งทที่ใจเน ะ, ะก็นึกหวาดหวาดอยู่ไม่น้อย การขุดสมบัติของเขาถึงจะไม่บอกใครแต่ก็ไม่พ้นสายตาคนอื่นไปได้ค่ะเพราะว่าเขาไปเล่นขุดกันตอนกลางวันและที่สำคัญนะตรงที่เขาขุดนั้นเนี่ยไม่ใช่ที่ดินของเขาแต่ว่ามันเป็นปลายนาของเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่มีที่นาต่อแดนกับนาของเขาคุณจำปาก็อึกอักค่ะไม่รู้จะทำประการใดก็เลยเผยความจริงจากความฝันเนี่ยให้คนอื่นทราบ พอเจ้าของนาได้ฟังก็ตาลุกวาวละค่ะก็เลยเออ อ, อขอเอวด้วยคนแค่นั้นไม่พอนีคะก็ได้มีเจ้าของนาใกล้ๆกันอีก2รายเดินมาประสบเหตุเข้าเมื่อทราบความก็เลยขอร่วมวงอีกก็เลยกลายเป็นสีแรงแข่งขันเมื่อขุดลึกลงไปประมาณเมตรเศษก็เจอสมบัตินั้นตรงตามความฝันทุกอย่าง ของนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยคล้องทองใบใหญ่เท่ากระด้งฟัดข้าวสองใบโดยหันด้านในประกบกันเอาไว้แล้วก็ภายในที่ประกบกันนั้นก็ได้มีฉาบแล้วก็ชิงอีกอย่างละ2คู่ซ้อนอยู่ของทั้งหมดนะคะล้วนทําขึ้นจากทองสํริดเมื่อได้ของมาแล้วคุณจําปาก็แบ่งของนั้นตามสัสดส่วนกันไปโดยคุณจําปานี่เอามากกว่าเพื่อนหน่อยฐานะที่เป็นผู้ฝันเห็นสมบัติแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปค่ะ คุณจำปาได้เอาของนั้นไปเก็บไว้อย่างซ่อนเร้นมิดชิดพอตกกลางคืนก็ฝันเห็นชายเจ้าของสมบัติมาพบกับเขาอีกแต่ว่าการมาของผู้ชายคนนี้คราวนี้นะคะน่ากลัวมากเพราะว่าชายผู้นั้นถือหอกเล่นใหญ่ติดมือมาด้วยแล้วก็การมาก็ใช่ว่าจะมาคนเดียวค่ะแต่ว่ามีลูกน้องห้อมล้อมอีกนับ10ลักษณะของลูกน้องแต่ละคนนั้นเนี่ยตัวก็ย่อมเล็กกว่าลูกพี่หน่อยนึงแต่ว่าการแต่งกายคือเหมือนกันหมด ในมือของแต่ละคนก็ถือห อ, อกอยู่ครบนะคะอีกทั้งการเคลื่อนไหวของแต่ละคนนั้นเนี่ยมีลีลาว่องไวง<า>นะคะไม่พ ผ, ผิดกับลิงไปเลยเมื่อคนเหล่านั้นมาถึงก็กระจายรายล้อมคุณจำปาเอาไว้ทันทีค่ะทั้งหัวหน้าลูกน้องต่างก็เพ่งมองคุณจำปายังกลับจะกินเลือดกินเนื้อก็บอกว่ากูจะฆ่ามึงมึงทำผิดเอาคนอื่นไปขุดด้วยชายผู้นั้นที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็เลยเอาห อ, อกจี้คอหอยคุณจำปาขู่ตะคอกเสียงดัง พอพูดขาดคาค่ะมันก็เปลี่ยนเป็นเอาหอกนี่ปักฉึกลงไว้กับดินแล้วก็เดินเข้ารอ่อรวบคอคุณจำปากระชากมาอย่างแรงก็เล่นเอาคุณจำปานี่ตัวลอยวิวเลยพร้อมกับพูดบอกว่ามึงผิดสัญญามึงต้องตายมึงต้องตายคือมันพูดสาทับไม่ขาดปากพร้อมกับเค้นคอคุณจำปาเพิ่มความหนักหน่วงลงไปทุกขณะทีนี้เมื่อลูกพี่บีบคอนะคะลูกน้องก็เลยต้องสมทบค่ะ ก็เต้นเข้าเต้นออกทำท่าเหมือนกับจะเข้ามาช่วยลูกพี่เค้นคอเขาให้ตายไปไวๆขึ้นคุณจำปาก็ดิ้นเร่าๆฮาห า, หายใจไม่ออกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ตะเบงร้องเสียงหลงเพื่อบอกให้อสูรคนนันทราบนะว่าเขาไม่ได้บอกใครแต่คนพวกนั้นเห็นเองก็เลยมาขอขุดด้วยเพราะว่ามันเป็นเวลากลางวันเขาก็เลยขัดไม่ได้อสูรร้ายเนี่ยไม่ยอมฟังเหตุผลจากเขามันก็ยังคงบีบคอเค้นฟัดเวียงเขาต่อไป คุณจำปาก็ดิ้นสุดฤทธิ์แลาว哈พร้อมทั้งตะเบงเสียงร้องลั่นเพื่อให้คนช่วยจนเสียงร้องในขณะหลับฝันของเขาเนี่ยดังสะท้อนออกมาเป็นละเมอลั่นบ้านทีนี้เมียของเขาซึ่งนอนอยู่ข้างๆเขาก็ต้องปลุกให้ตื่นเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกเขาก็เลยรีบลุกขึ้นมาจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวพร้อมกับสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนต่อแต่ทว่าพอนอนหลับไปคุณจำปาก็ฝันเห็นผู้ชายคนนั้นพร้อมกับลูกน้องกลับมาหาอีก แล้วก็ทำท่าทำทางในลักษณะเก่าๆนะคะจนคุณจำปาเนี่ยละเมอแล้วก็ถูกเมียปลุกให้ตื่นอีกเป็นครั้งที่2พอตื่นก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับบอกกล่าวขอขมาลาโทษต่อชายเจ้าของสมบัตินั้นอีกนะคะแล้วก็นอนต่อแต่พอหลับเข้าสู่ภวังก็ฝันในลักษณะเก่าจนละเมอร้องลั่นถูกเมียปลุกให้ตื่นเป็นครั้งที่3ทีนี้คุณจาปาเนี่ยจะทายังไงดีล่ะ เพราะว่าไม่อยากจะฝันซ้ำซากเป็นครั้งที่4ี่แล้วเขาก็เลยจุดตะเกียงนั่งอ่านหนังสืออยู่จนสว่างพอสว่างแล้วนะคะคุณจำปาก็พาลูกพาเมียไปทําบุญตักบาตรที่วัดพร้อมทั้งกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้าของสมบัติพร้อมบริวารแล้วก็รดน้ำมนต์ให้กับตนเองแล้วก็ลูกเมียเสร็จสับจากนั้นนะคะเขาก็ไม่ฝันเห็นชายผู้นั้นอีกเลยคุณจำปาบอกว่านอกจากเ้าแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็เคยมีคนหมู่บ้านเดียวกันนะ ขุดได้หายเงินไหทองคำจำนวนมากค่ะจากความฝันเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากตรงที่เขาขุดไว้เท่าใดนักก็เลยนับว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนให้เห็นค่ะว่าในพืนแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยในทุกตารางนิ้วเนี่ย เคยมีเจ้าของเดิมแล้วก็เคยมีผู้ที่ครอบครองเดิมอยู่แล้วและผู้ที่ครอบครองเดิมเหล่านั้นอาจหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่คนเก่าคนแ ก, ก่เคยกำชับลูกหลานว้นะะบอกว่าต้องเคารพ บ, บูชาแล้วก็ให้เกียรติพวกเขาเหล่านี้เสมอไปนะคะ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติโบราณพันปีมาแล้วนะคะทีนี้มาฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงจากวิญญาณค่ะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดจากคำบอกเล่าของคุณเสริมศักดิ์สินเจิมสิรินะคะซึ่งถ่ายทอดให้กับศาสตราจารย์ดรคลุ้มวัชโรบลบันทึกไว้เมื่อกว่า40ปีล่วงมาแล้วค่ะ ทางด้านของคุณเสริมศักดิ์สินเจิมสิริเนี่ยนะคะบอกว่าเคยประสบกับเหตุการณ์เหนือธรรมอธิบายมาแล้วตอนสมัยเด็กแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มเนื่องจากว่าเวลาว่างจากการเรียนแล้วก็การทํางานตัวของคุณเสริมศักดิ์เองเนี่ยนะะก็ชอบสนุกสนานในการเล่นการเที่ยวก็เลยทําให้ได้พบเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายครั้งโดยเมื่อสมัยอายุยังไม่ถึงสิบขวบ ก็เป็นเด็กผู้ชายนะคะชอบเล่นตีลูกล้อก็คือเอาขอบกระดิ่งเป็นลูกล้อผู้เล่นก็ใช้ไม้ตีลูกล้อให้กลิ้งไปคนวิ่งก็ตามตีไปไม่ให้ลูกล้อล้มก็เป็นการเล่นที่ออกกำลังกายได้ดีอย่างหนึ่งนะคะถนนหนทางก็ยังไม่มียวดยานพาหนะมากเหมือนเช่นปัจจุบันนี้เด็กๆ ก, ก็เลยอาจตีลูกล้อตามถนนได้ ตอนนั้นคุณเสริมศักดิ์บอกว่าบ้านของผมเองเนี่ยอยู่ที่ตำบลบางรักใกล้กันกับปากคลองสาธรแล้วก็ใกล้กันกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครด้วยในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ควรจะกล่าวถึงมีอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สูงสองชั้นแต่ว่าแต่ละห้องนี่กว้างกว่าตึกแถวที่สร้างกันในสมัยปัจจุบันค่ะกว้างเป็นสองเท่าเลยเห็นจะได้ มีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องหัวแถวปลูกยื่นหักออกจากแถวห้องที่กล่าวนี้ชั้นบนผู้เช่าชื่อในนวลทํางานอยู่ที่สุขาพิบาล น, นะคะแล้วก็มีหน้าที่ตรวจคนกวาดถนนใครๆก็ทราบนะคะว่าในนวลเนี่ยเป็นชายโสดอยู่ในห้องคนเดียวเวลาไปทํางานก็ปิดประตูห้องใส่กุญแจเรียบร้อยมีอยู่เช้าวันหนึ่งค่ะเวลาประมาณสิบโมงเชา้า คุณเสริมศักดิ์เนี่ยบอกว่าผมตีลูกล้อเล่นจนเหนื่อยก็เลยหยุดพักนั่งพิงฝาบ้านหันหน้าไปทางห้องแถวที่ว่านั้นพอดีตาผมก็เหลือบไปมองห้องของในนวลเช่าซึ่งขณะนั้นประตูก็ถูกใส่กุญแจไว้แต่ว่าซักประเดี๋ยวก็เห็นประตูเนี่ยเปิดออกสู่ระเบียงมีผู้หญิงคนนึงนุ่งโจงกระเบนสีตองอ่อนห่มผ้าแถบสีชมพูก้าวออกมายืนที่หน้าประตูแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยบ่นบอกมาบอกว่าแหมวันนี้ร้อนจริงๆเลย คุณเสริมศักบอกผมเห็นดังนั้นก็เลยรู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าใครใครก็ว่าตนวนเนี่ยไม่มีเมียที่แท้แกมีเมียนี่หว่าแกแอบเอาไว้ในบ้านไม่มีใครรู้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่แอบรู้ความลับของผู้ใหญ่ก็เลยเก็บความลับนั้นไว้ไม่ได้นะคะก็เลยไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องปิดบงังก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้กับเฮียจิ้งเียง er, ลูกชายของป้เนยเจ้าของห้องแถวฟังด้วยความตื่นเต้นบอกว่า เฮียจินเฮียงตนวนนี่มีเมียแล้วนะฉันเห็นผู้หญิงออกมาจากห้องตนวนด้วยแหละเฮียจิ้นเฮียงฟังด้วยความประหลาดใจแล้วก็บอกให้พาไปดูคุณเสริมศักก็พาไปดูค่ะแต่กลับพบว่าประตูห้องพักของตนวนเนี่ยถูกใส่กุญแจด้านนอกอยู่พอบ่ายสัก15บหนาฬิกาหรือว่าบ่ายสามโมงนะคะเราก็เห็นป้าเนยกับเฮียจิ้นเฮียงเนี่ยไปที่บ้านตนวนคุณเสริมศักด์ตอนนั้นอายุสิขวบก็ตามไปด้วยป้าเนยไขยกุญแจเข้าไปข้างในแต่ว่าใน น, นั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่นะ กลางเรือนก็มีเสากลมอยู่2หรือว่า3ต้นจำไม่ได้แน่นอนนะคะซึ่งขนาดใหญ่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสัก30เซนติเมตรค่ะจำได้ว่าเสาเกลี้ยงเนี่ยเป็นมันเหมือนพื้นเรือนซึ่งถูกเช็ดถูบ่อยๆป้าเนยเห็นดังนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าเสาตะเคียนตกน้ำมันนี่ว่ะต่อมาป้าเนยก็เอาเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ที่เสาต้นนั้นพร้อมกับจุดทูบจุดเทียนขอหวยนะคะ ต่อมาก็ทราบว่าปะเนยนี่ถูกหวยค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าถูกไปเท่าไหร่ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เป็นรุ่นนุ่มแล้วหรือว่าวัยรุ่นนอายุสัก 15-16 ปีคุณเสริมศัก์ไปเที่ยวงานภูเข่าทองที่วัดสะเกตกลับบ้านดึกหน่อยและทีนี้เนี่ยก็เลยนึกเกรงใจแม่ที่จะต้องเปิดประตูรับ พอดีนึกถึงเพื่อนคนนึงที่ชื่อชมอายุแก่กว่าหลายปีค่ะแม่ของคุณเสริมศักดิ์นี่บวชให้เป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดยานาวาก็เลยคิดว่าจะไปนอนด้วยที่วัดจะได้ไม่ต้องไปรบกวนแม่กลางดึกที่อยู่ของพระชมนี่ก็เป็นศาลาไม้ริมคลองด้านใต้ของวัดบนศาลานั้นนี่มีพระอยู่ด้วยกันสองสามรูปพระชมทราบความประสงค์ของคุณเสริมศักดิ์แล้วนะคะว่าจะมาขออาศัยนอนด้วยก็เลยจัดแจงกลางม้งให้นอนข้างฝาศาลาข้างเปียงพระชมค่ะ ทีนี้พอคุณเสริมศักด์นอนลงไปก็หันศีรษะไปทางฝาในศาลา น, นั้นเนี่ยมันมีตะเกียงแขวนจุดอยู่ก็เข้านอนยังไม่หลับสนิทเนยนะคะเพราะว่าผิดที่ก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครนี่เอามือมาแตะที่ศีรษะเขาก็นึกสงสัยเออคิดว่าเพื่อนแกล้งคงเพื่อนจะเป็นเพื่อนมาล้อเล่นแน่นอนก็เลยนอนต่อไปอีกก็เลยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งว่ามีศีรษะเนี่ยจากที่แตะเมื่อกี้เป็นตบแล้วค่ะตบแรงกว่าครั้งแรก คราวนี้กโกรธแล้วค่ะคุณเสริมศักดิ์บอกว่าเพื่อนแกล้งเออก็เลยด่าเข้าให้บอกอย่าเล่นโว้ยพร้อมกับคอยระวังตัวอยู่แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าขืนแกล้งอีกนี่จะจับตัวให้ได้เลยคอยอยู่สักประเดี๋ยวนึงก็รู้สึกว่าถูกเขกศีรษะอย่างแรงกว่าครั้งที่แล้วคุณเสริมศักดิ์ก็เลยผุดลุกขึ้นนั่งพรวดพลาดตึงตังดึงมุงออกโดยเร็วค่ะจนพระที่กําลังจําวัดอยู่ในศาลานั้นตื่นกันหมดก็เลยพากันถามเรื่องราวคุณเสริมศักดิ์ก็เลยเล่าให้ฟัง พระรูปหนึ่งมาคลาที่ศีรษะดูก็เลยร้องโอ้โหหัวโนเป็นลูกมะนาวเลยคุณเสริมศักดิ์บอกผมไม่กล้านอนที่นั่นอีกแล้วก็เลยขอร้องให้พระชมเนี่ยจุดตะเกียงพาไปส่งที่บ้านมาทราบต่อมานะคะว่าวันรุ่งขึ้นพระชมค้นหาว่าในสารานั้นมีอะไรบ้างปรากฏค่ะ ว, ว่าใต้เตียงมีหม้อกระดูกอยู่หนึ่งหม้อพระชมจึงให้เอาไปทิ้งน้านอกจากนั้นตอนที่คุณเสริมศักดิ์นะคะเข้าเรียนที่โรงเรียนอสมชัญ พ่อแม่ก็ซื้อรถจักรยานให้รู้สึกสนุกสนานในการขี่จักรยานเล่นจังเลยก็เลยออกเที่ยวปั่นจักรยานบ่อยๆมยีวันหนึ่งขับไปเที่ยวกับเพื่อนชื่อพริมพ์สีวิสัทวันนั้นพากันขี่จักรยานไปทางถนนเยาวราชพอใกล้ค่าก็เลยชวนกันกลับผ่านทางหน้าวัดหัวลําโพง สมัยที่คุณเสริมศักย์ยังคงเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็คือก่อนที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะให้กับทางด้านของศาสตราจารย์คลุ้มวัชโรบลหรือว่าดรคลุ้มนะคะวัชโรบลบันทึกไว้เมื่อ40ปีกว่าล่วงมาแล้วที่นั่นเนี่ยก็จะมีรางรถไฟก็จะเป็นสายปากน้ําแล้วก็จะมีคลองที่ริมคลองต้นไม้ร่มครึม้มคืนนั้นเนี่ยแสงเดือนริบหรี่ในพริมพ์ก็ขี่จักรยานไปข้างหน้า คุณเสริมศักด์ได้ยินเสียงในพริมดีดกระดิ่งจักรยานดังกริ๊งกร๊งนะคะก็เลยพูดดังๆบอกว่าไอ้เจกนี่เดินไม่หลีกรถทันใดนั้นล่ะค่ะ mm hmm. คุณเสริมศักด์เห็นคนจีนคนหนึ่งหลบรถของในพริมมาเดินนําหน้ารถของคุณเสริมศักด์เอง คนจีนคนนั้นเนี่ยไว้ผมเปียยาวตามความนิยมในสมัยนั้นนะผู้ชายจีนจะไว้ผมเปียข้างหลังแล้วก็นุ่งกางเกงขายาวแล้วก็สวมเสื้อทั้งชุดสีเหลืองหม่นค่ะเดินอย่างสบายเลยละะ่ะค่ะนำหน้ารถจักรยานของคุณเสริมศักหางเปียก็แกว่งไปแกว่งมาคุณเสริมศักขก็ดีดกระดิ่งรถเพื่อขอทางคนจีนเนี่ยก็ไม่รู้จักหลบหลีกก็ยังคงเดินไปเรื่อยๆคุณเสริมศักข์ก็เลยโกรธนะคะตั้งใจว่าจะเอาสูบจักรยานนี่ฟาดหัวให้สักทีนึง เอื้อมมือไปถอดสูบมาถือไว้พลางก็ชักสายกระดิ่งดังยาวนานเร่งฝีเท้าถีบเต็มที่จะให้ขึ้นหน้าล้อรถก็หมุนค่ะแต่ไม่ค่อยจะแล่นคุณเสริมศักดิ์บอกอุ้ยผมทั้งเหนื่อยทั้งโกรธตาก็เพ่งมองคนจีนคนานั้นด้วยความแค้นคราวนี้มองไปที่เท้าของคนจีนเอ๊ะเท้าไม่ถึงดินสูงกว่าดินสักครบหนึ่งปรากฏว่าความโกรธหายไป ยิ่งรีบถีบรถเต็มแรงค่ะปากก็สวดมนต์ตามแต่จะนึกออกเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่มีอาจจะประมาณได้แต่รู้สึกว่านานเหลือเกินเหงื่อออกโซมกายเลยแ่ละค่ะพอเกือบจะถึงแยกสนามมะพอดีมีรถเจ็กก็คือรถลากนะคะในสมัยก่อนขนาดคันใหญ่คันหนึ่งมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยไม่ไม่ไม่รู้ว่ากี่คนนะคะก็ลากสวนทางมา จีนหางเปียยาวที่เดินขวางทางอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็เปลี่ยนทิศนะคะเดินตรงเข้าไปหารถลากคันนั้นทันใดนั้นนะคะเขาก็รู้สึกว่ารถของเขาเนี่ยเล่นชิวได้เพราะว่าปราศจากเครื่องกีดขวางพอถึงศาราแดงตรงบ้านเจ้าพระยา ย, ยมราชค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนพาณิชทวิทยาลายัยก็พบกันกันกบนายพริมหยุดยืนคอยอยู่นายพริมก็ถามขึ้นบอกว่าลื้อไปทําอะไรอยู่ว่าได้ยินเสียงกระดิ่งดังตั้งนานแล้วไม่เห็นรถลื้อมาสักทีหนึ่ง เขาก็ลงไปยืนหอบอยู่หน้ า, นหากว่าจะเล่าเรื่องได้แล้วก็ชี้แจงบอกว่าไอ้เจ๊กที่ขวางหน้ารถลือนั่นน่ะมันมาเล่นงานอวะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นในพิมพ์ก็หน้าเสียและก็รีบชวนกลับบ้านทันทีนะคะต่อมาเมื่อเรียนจบค่ะคุณเสริมศักดิ์ก็ได้สอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการซึ่งทางราชการก็ส่งไปอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างสะพานเดชานุชิตการเดินทางไปทํางานในถิ่นไกลาจากครอบครัวสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความทุกข์ที่ต้องพรัดพราก ก, กัน บ้านพักที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นบ้านที่ราชการแขวงการทางเช่าเตรียมไว้ให้คือเป็นการเช่าจากขหบดีเรียกกันอย่างยกย่องว่านายโปโอเอียนนะคะบ้านนั้นเป็นตึกเก่าบรรยากาศทึมๆระหว่างอยู่ในบ้านก็รู้สึกวุบ ว, ว, วูบววับพิกลแต่ก็ได้อยู่ในบ้านนี้นานถึงสองปีแล้วก็นอนอยู่ชั้นบนการเดินทางไปครั้งนั้นคุณเสริมศักดิ์บอกว่าผมอารัธนาพระเครื่องของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีของวัดระฆังไปด้วย มีอยู่วันหนึ่งนะคะคุณเสริมศักดเนี่ยไปเล่นบินเรียดจนดึกเกือบเที่ยงคืนก็เลิกแล้วล่ะค่ะจะกลับบ้านพอดีโดยมีผู้หญิงมาด้วยคืนนั้นเนี่ยก็กลับมาบ้านทางที่ไม่เคยกลับเลยทางนี้ต้องเดินผ่านป่าช้าซึ่งหนทางก็มืดมากระหว่างเดินผู้หญิงคนนั้นก็ร้องขึ้นบอกโอ้ยผีหลอกคุณเสริมศักเนี่ยถือไม้ตะพดไปด้วยค่ะก็เลยรีบแกว่งไม้ตะพดปาก็พูดหลอบใจผู้หญิงนั้นไปบอกไม่มีอะไรหรอกน่ะไปเถอะ พอผ่านป่าช้าไปลงเรือจ้างข้ามฟากแม่น้ําตานีแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านกําลังไขกุญแจบ้านนะได้ยินเสียงผู้คนเอะอะอยู่ในบ้านของนายแซ่ซึ่งอยู่ติดกันฟังได้ความว่าผีเข้านาะผู้หญิงของนายแซ่เมื่อคุณเสริมศักอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนะคะก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเห็นผู้หญิงคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยนั่งเหยียดขาอยู่พอเห็นคุณเสริมศัก์เข้าไปก็ถึงกับเบิ่งตาแล้วก็แลบลิ้นให้คุณเสริมศักก็เลยถามไปบอกเป็นอะไร ผู้หญิงคนนั้นบอกฉันจะมาหานายคุณเสริมศักดิ์รู้สึกขนลุกเกลียวค่ะแต่ว่าแข็งใจทําเป็นไม่กลัวใจก็นึกถึงสมเด็จแล้วก็ขอแก้วใส่น้ําฝนจุดธูปสามดอกแล้วก็อันเชิญหลวงพ่อลงไปในแก้วน้าพร้อมกับอธิษฐานขอให้หลวงพ่อช่วยแล้วก็เอาน้ำมนต์พรมศีรษะผู้หญิงคนนั้นทันใดนะคะร่างนั้นก็งายหลังตึงค่ะพอผู้หญิงคนนั้นรู้สึกตัวก็บ่นบอกว่าอ๋เหนื่อยจริงๆเลยคุณเสริมศักดิ์อยู่สนทนากับผู้หญิงคนนั้นสักประเดี๋ยวก็ลากลับ พอกลับถึงบ้านผู้หญิงคนนั้นก็มีอาการผีเข้าอีกค่ะคราวนี้เป็นการตะโกนด่าเป็นการใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยนายเปงฮงอันนี้เป็นชื่อเก่าของคุณเสริมศักนะบอกว่ามันอวดเป็นหมอเอาพระมาไล่กูกูเพ่นไปอยู่บนคือแล้วก็กลับมาอีกคราวนี้คุณเสริมศักไม่ได้กลับไปช่วยอีกนะฮะญาติก็ไปหาหมอผีมาไล่ก็เอาใบมะขามเคี้ยนแล้วก็ถามบอกว่ามึงมาจากไหน วิญญาณในร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ตอบบอกว่ากูมาจากนายเปงหงกูจะเข้านายเป็งหงและทำไมไม่เข้าละ่ะหมอผีถามต่อบอกเข้าไม่ได้เอา้าทำไมไม่ตามเขาไปเข้าไปในบ้านเขาละ่ะผีก็บอกเข้าไปได้หรือเข้าไปก็ตายสิวิญญาณนั้นตอบแล้วก็ยังอธิบายนะะบอกว่าเขาผ่านทางมาทางป่าช้ากูก็เลยตามมาลงเรือจ้างกูก็ลงมาด้วยข้อความที่อ้างนี้เป็นความจริงทุกอย่างนะคะ คุณเสริมศักดิ์เนี่ยเดินทางกลับบ้านเป็นเวลาดึกแล้วก็มืดมากและทางนั้นไม่ใช่ทางที่คุณเสริมศักดิ์จะต้องกลับบ้านตามปกติผู้หญิงที่ถูกผีเข้าก็อยู่กับบ้านไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนไม่น่าจะทราบนะคะว่าเดินทางไปทางไหนกัน นี่เป็นเรื่องจากคำบอกเล่าของคุณเสริมศักดิ์ศินเจิมสิริซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องราวแปลกประหลาดเหมือนกันไม่สามารถค้นหาคำตอบหรือว่าข้อพิสูจน์แท้จริงได้แต่ว่าท่านยืนยันกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คลุ้มวัชโรบลว่าทุกเรื่องที่นำมาถ่ายทอดนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องแต่งเติมเสริมต่อแต่ประการใดนะคะคุณผู้ฟังฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยบีเองก็ไม่มีเจตนานะคะจะทาให้คุณผู้ฟังงมงายหรือว่าบังคับคนที่ไม่เชื่อต้องมาเชื่อหรือว่าบังคับคนที่เชื่ออยู่แล้วให้เลิกเชื่อนะคะ เอาง่ายๆเลยคือเป็นกลางฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีนี้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ